ที่มาขึ้นข้อความในสุตตานิบาตตอคควิสานสูตรสูตรว่าด้วยเที่ยวไปดุจหน่อแรกจะมีคําอธิบายพิสดารในคควิสานสุตตนิเทศคำภีจูลนิเทศเนี่ยนะซึ่งจะอธิบายควบคู่กับจูลนิเทศไปด้วยเองผู้ที่สั่งสมบุญมาดีอย่างพระพเจก้ะพุทธเจ้าองค์นี้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 บรรลุความเป็นสยามภูแปลว่าตรัสรู้เองโดยชอบโดยถูกต้องไม่ผิดพลาดแต่สอนคนอื่นไม่ได้ <c oughs> อมตะทั้งหลายก็ได้ประชมการกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตนั้นผู้มีความสุขด้วยมรรคผลประทับนั่งบนคอช้างเป็นผ้าหันนั่งบนคอช้างเลยสบายมากอมตก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราช กาลนี้เป็นการเสด็จขึ้นสู่พระยานขอพระองค์พึงทำสักการะแก่หมู่ชนผู้ชนะพึงพระราชทานอาหารแลสเบียงแก่หมู่ชนผู้แพ้เพราะว่าเป็นพระราชานี้จะต้องมีบำเน็จมีบํานาญมีการให้รางวัลให้อาหารแก่หมู่ทหารทั้งหลายทั้งสองกองทัพนะนะพระเจ้าพรมทัพที่เป็นพระประเจก็ตรัสว่าดูก่อนพะนายเราไม่ใช่พระราชา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 พระราชาเนี่ยนะพระองค์ก็ลูปพระเสียรด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาทางใดนั้นเพศครหัตก็อันตรธานไปเพศบันปชิตก็เข้ามาแทนที่พระองค์มีเกษาและพระมั ส, สุแปลว่ามีผมมีคราวมีห น, นวดประมาณสององคุลีพร้อมกับด้วยบริขารแเช่นกับพระเถระบวชมาแล้วร้อยพรรษาไม่แปลกใจนะเพราะสะสมอัธยาศัยความเป็นนักบวชมา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 อริยสัจถ้าดอกโบตูมก็ประกาศถึงว่าผู้ที่มีความสามารถตรัสรู้อริยสัจได้การตรัสรู้อริยสัจเปรียบกับบัวบานนะนะแล้วก็ส่งกลิ่นแห่งอริยคุณมีศีลเป็นต้นหอมโชยลงไปอมาตพวกอมาตก็เลยไปถึงก็กราบไหว้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงบําเพ็ญกรรมฐานอะไร พระองค์ทรงบรรลุอย่างไรพระองค์ทรงเห็นแจ้งวิปัสนาซึ่งเป็นเหตุให้บรรลุให้พระองค์เนี่ยได้บรรลุเพราะพระองค์เจริญเมตตากรรมฐานแล้วบรรลุคื อ, อการที่จะบรรลุเป็นพระประเจกของพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านเจริญฌานก่อนคือเจริญเมตตาก่อนในความที่เป็นผู้สั่งสมเมตตามาเป็นอย่างดีเนี่ยนะสำนวนไทยเราว่ากระพริบตาไม่กี่ครั้งก็เข้าฌานได้แล้วเนี่ยนะ คนที่ชํานาญเอางี้ดีกว่าถ้าเราลองจ ะ, จะกโกรธ ด, ดูนะแทบเดียวนี้ก็ทันทีเลยใช่ไหมอ้าแล้วคนที่ฝึกอัโทสะมาเป็นอย่างดีล่ะเจริญยากไหมอา้าวตรงกันข้ามนี่ถ้าจะเจริญอัโทสะคือเมตตานี่นะอย่างจิตที่ไม่คิดประทุษร้ายให้เกิดขึ้นแก่สรรพษษัพสัตทั้งหลายความที่สั่งสมเมตตามาเป็นอย่างดีนั้นจิตที่มีเมตตานั้นไม่ยากไม่นานแป๊บเดียวก็ได้ฌานนะ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 เวทนานุป ha ัสนาสติปฐานจิตตานุปัสนาสติปทานธรรมานุปัสนาสติปฐานสติปฐานสี่ที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังพโธชงเจ็ดให้เจริญพโธชงเจ็ดที่เจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังวิชาและวิมุติให้เจริญนะเมื่อวิชาวิมุติเกิดขึ้นนี้วิมุติแบบปัจเจกวิมุตนะตรัสรู้แบบพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหลุดพ้นแบบพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็เลยบอกถึงข้อปฏิบัติให้ฟังย่อๆว่า สัพเพสุภูเตสุนิทายะธันดังแปลว่าบุคคลวางอาจยาในสัตว์ทั้งปวงแล้วเป็นต้นวางอาจยาในสัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะำอธิบายอธิบายในจูลนิเทศ น, นะดูในนั้นประกอบก็ได้นะในอธิบายว่า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 ก็คือไม่ไม่มีอำนาจอะไรทําให้ท่านสยดสยองหวาดเสียวแม้แต่นิดเดียวไม่มีอะไรทําให้ท่านสะดุ n เพราะท่านเป็นผู้มั่นคงคือพระอรหันต์นี่นี่ต่อไปวางอาจยาอาจยานี่คืออะไรอาจยามีสมอย่างอาจยาทางกายอาจยาทางวาจาและอาจยาทางใจอาจยานี่โดยศัพท์แปลว่าอาจยานเนี่ยแปลว่าโทษใช่ไหมโทษ การทําความชั่วทางกายสามอย่างเรียกว่าอาจยาทางกายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมนี่เรียกว่าอาทยาทางกายอาทยาทางวาจาก็คือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจอ้อเรียกว่าโทษทางวาจาหรืออาทยาทางวาจามโนทุจริตสมอย่างคืออภิ ช, ชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าอาจยาทางใจ คำว่าวางอาจยาในสัตว์ทั้งปวงก็คือวางความชั่วทางกายวาจาและใจในสัตว์ทั้งหลายปแปลว่าวางปลงละสละทิ้งระงับระงับซึ่งความชั่วทางกายวาจาใจในสัตว์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นเรียกว่าวางอาจยาในสัตว์ทั้งปวงั้นผู้ที่วางอาจยาในสัตว์ทั้งปวงคือไม่ทำความชั่วในสรรพสัตว์ทั้งหลายเลยไม่ทำความชั่วด้วยกายยัทจริญสา ไม่ทำความชั่วด้วยวจีทุจริรศีไม่ทำความชั่วด้วยมโนทุจเริสามนี่แหละเรียกว่าวางอาจยา